เรื่องฆ่ายากหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุหมอผีรูปหนึ่งข่ายักตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดตบาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราดทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ต ร, ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดดบาราชิกแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่71